ยิ่งพฤติกรรมแบบคนโง่เกิดขึ้นบ่อยเท่าใดปมปัญหายิ่งซับซ้อนเอาความฉลาดตามมาแก้ในภายหลังได้ยากขึ้นเท่านั้นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่รวมเอาความฉลาดสุดกับโง่สุดไว้ในตัวคนคนเดียวได้สร้างชีวิตดีๆ ด, ด้วยความคิดอ่านชาญฉลาดได้เสร็จแล้วก็ทําลายชีวิตดีๆนั้นด้วยอารมณ์โง่งมได้โดยอีกทีก็ก่อปัญหาขึ้นมา